พอเจริญไปเจริญไปมันก็เป็นนะบางทีเจริญกรรมฐานเนี่ยนะเจริญไปเจริญไปโลภะมันเกิดอาวก็ต้องมาแก้โลภะกันเจริญไปเจริญมาโทสะมันเกิดก็แก้โทสะเจริญไปเอาเรามีความรู้ไม่พอเมื่อมีความรู้ไม่พอก็แปลว่าโมหะถ้าโมหะเกิดขึ้นมันทําอย่างไรเนะี่ยแล้วก็ต้องหาข้อมูลให้พอเนี่ยนะเหตุเหตุท่าประการทํามไม่ฉลาดขึ้นอันนี้ชื่อว่าข้อที่หนึ่งอัะข้อแรก ในในข้อ258เนี่ยนะวิธีการกําจัดขุดรากเงาอากุศลวิตกข้อที่สองว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายหากว่าเมื่อภิกษุนั้นมณสิการนิมิตอื่นจากนิมิตนั้นอันประกอบด้วยกุศลอยู่วิตกอันเป็นบาปอากุศลธรรมทั้งหลายประกอบด้วยโลภะโทสะโมหะก็ยังเกิดขึ้นเรื่อยๆทีเดียวเอ๊มันแก้มาหมดแล้วนะมันทาไมมันยังเป็นอกุศลอยู่เรื่อย แก้ที่เจริญอสุภะก่อแล้วเจริญเมตตก่อแล้วอยู่ร่วมกับครูเรียนมามากก็แล้วเอ๊ะทาไมมันเป็นอย่างนี้อากุศลทำไมมันเจริญขึ้นเจริญขึ้นก็รู้อยู่แล้วว่าอากุศลนี่เป็นมิจฉามรักเนี่ยนะไม่ใช่มรักไม่ใช่ข้อปฏิบัติที่จะนําออกจากทุกข์ทําไงดีอากุศลมันเกิดขึ้นแรงขึ้นแรงขึ้นเน่ยนะมันยังเรียกว่าประทุขึ้นประทุขึ้นจานวนถ้าเป็นแผลแผลก็หมายความว่า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 อกุศลวิตกเหล่านี้ล in ้วนแต่เป็นโทษแม้อย่างนี้อกุศลวิตกเหล่านี้ล้วนแต่เป็นอกุศลอย่างนี้มีโทษอย่างนี้ล้วนแต่มีทุกข์เป็นวิบากให้ผลเป็นทุกขอย่างนี้อย่างนี้เมื่อพิจารณาโทษของวิตกเหล่านั้นอยู่วิตกอันเป็นบาปอกุศลประกอบด้วยโลภะโทสะโมหะอันเธอย่อมละเสียได้ย่อมถึงความตั้งอยู่ไม่ได้เพราะละวิตกอันเป็นบาปอกุศลเหล่านั้นได้ จิตย่อมตั้งอยู่ด้วยดีสงบเป็นธรรมเอกผุดขึ้นตั้งมั่นในภายในแหล่อะไรครับเรียกว่าวิธีชำระเกลียดรังเกียจอกุศลนั้นเห็นอกุศลนั้นเหมือนศพเลยว่างั้นเถอะศพเป็นแบบอะไรนะเป็นถ้าเป็นศพที่ติดเชื้อโรคด้วยเอาไงศพติดเชื้อด้วยนะะโอ้โหแขวนคอเอาไว้เนี่ยนะถ้าเป็นศพมนุษย์ก็ติดโรคติดต่ออย่างเงี้ยนะใช่ไหมถ้าศพสัตว์ก็แต่ก็เปื้อนโรคติดต่อเป็นต้นเนี่ยแหม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 ลอยตามใจมันม า, มากๆก็วิธีแก้เท่านี้บอกไม่ได้ผลบอกว่าอากุศลมิตกมันหัวเราะเอาเลยนะบอก ว, วิธีที่ผ่านมานะมันยังใช้ไม่ได้ไม่เหมาะกับฉันหรอกละกัน ดูการพิสูจน์ทางหลายภิกษุนั้นเพิ่งถึงไม่ต้องนึกไม่ต้องใส่ใจถึงวิตกแล้วนะบอกว่าพอแล้วไม่ต้องมาเอามาคิดแล้วพอแล้วเนี่ยนะคือบอกตรงๆบอกว่าพอแล้วพอกันทีอกักขุนวิตกแล้วบอกยกเลิกกวางนั้นบอกยกเลิกอกขุนวิตกบอกพอพอพอพ อ, พอเธอพาฉันคิดอย่างนี้มานานแล้วไม่ใช่หรือคิดอย่างนี้เราไม่ได้ประโยชน์อะไรบ้างนี่นะสมมติว่าเธอพาฉันชอบสิ่งเนี้ยชอบมานานแล้วใช่ไหมไมันช่วยอะไรได้บ้างเอาไม่ได้ พาโกรธอย่างงี้มาตั้งนานแล้วไม่ใช่หรือพาโง่อย่างงี้มาตั้งนานแล้วไม่ใช่หรือมันพอกันทีแล้วนะอะรครบอกเลิอกอะไรสักอย่างหนึ่งนะดูความพิสูจน์ทั้งหลายภิกษุนั้นเนี่ยน ะ, ะเมื่อเมื่อไม่ใส่ใจถึงวิตกเหล่านั้นไม่นึกถึงไม่ใส่ใจอยู่วิตกอันเป็นบาปอากุศลที่ประกอบด้วยโลภโทสะและโมหะอันเธอย่อมละเสียได้ย่อมถึงความตั้งอยู่ไม่ได้เพราะละ ว, วิตกอันเป็นบาปอากุศลเหล่านั้นได้ จิตย่อมตั้งอยู่ด้วยดีสงบเป็นธรรมเอกผุดขึ้นตั้งมั่นในภายในนั่นแลดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายเปรียบเหมือนบุรุษผู้มีจักษุไม่ต้องการจะเห็นรูปที่ผ่านเขาก็หลับตาเสียหรือเหลี้ยวไปทางอื่นฉั้นใดเคยนั่งรถไหมนั่งรถตรงไหนที่เราไม่อยากเห็นทำไงก็หลับตาซะถ้านั่งรถผ่านบางที่ที่เราไม่อยากเห็นเราก็หลับตา อะนะหรือไม่ก็หันหน้าไปทางอื่นสักก็หมดเรื่องหรือไม่ถ้าแบบกลิ่นที่ไม่พึงใจก็เอาผ้ามาปิดจมูกแล้วก็รีบไปให้มันพ้ น, นตรงนั้นก็จบ ก, กันนะนะเพราะฉะนั้นอกุศลวิตกก็เหมือนกันเมื่อมันเกิดขึ้นถ้าหากว่าพิจารณาโทษอกุศลวิตกอยู่มันก็ยังเกิดเรื่อยๆ อ, อีกภิกษุนั้นก็ไม่พึงใส่ใจไม่พึงนึกถึงวิตกเหล่านั้นเมื่อเธอไม่นึกถึงไม่ใส่ใจวิตกเหล่านั้นอยู่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 ทำไมเราต้องคิดอย่างนี้ความคิดอันนี้รากเงาสกราชมาจากไหนมางั้นเถอะกระว่ารื้อบัญชีให้หมดเลยก็ว่าเอ๊ที่จริงอ่ะค่ะคก็ว่าอ่ามันทะลักอย่างนี้มาเรื่อยๆน้ำหยดหยดติ้งติ ง, ต ง, ตงอยู่ตลอดเวลาเนี่ยมันก็ต้องหากระว่าขุดอล้ต้องขุดแล้วว่าไอ้ตรงนั้นเนี่ยจริงๆอ่ะมันเกิดจากอะไรเมื่อเธอมานสิการวิสอ่าสันฐานแห่งมิตตกสังขารของวิตตกเหล่านั้นอยู่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 เขาก็มีความคิดอย่างนี้เราจะเดินเร็วทำไมถ้าอะไรเราค่อยๆเดินพอค่อยๆเดินก็มีความคิดขึ้นมาอีกว่าแล้วเราจะค่อยๆเดินไปทำไมเราก็ควรยืนเขาก็หยุดยืนเมื่อยืนเสร็จเราจะยืนไปทำไมเราควรนั่งควรนั่งไปก็นั่งไปทำไมนอนดีกว่าก็เลยนอน ฉั้นใดก็ดีดูก่อนสูจน์ทั้งหลายก็บุรุษคนนั้นค่อยๆผ่อนอิริยาบถหยาบๆแล้วก็สําเร็จอิริยาบถละเอียดละเอียดแม้ฉั้นใดพิสูจนนั้นก็ฉันนั้นเหมือนกันก็มณสิการสันฐานแห่งวิตกสังขารของวิตกว่าคือรากเง่าขั้วมันมาอย่างไงมันมาจากไหนรังมันคืออะไรกใครว่าขุดขหารังมันเลยเอเนี่ยมันแสดงว่ามันบินมาจากทั้ง